พระธรรมเทศนาแผ่นที่92ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านานคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่25มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าสอนพระปราบเฮียเอานั่งประจำที่คณะธ า, ายาญโจมลูกหลาน มีอะไรหลวงพ่อจะเล่าให้ฟังเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพวกเราควรจะทําความเข้าใจกันในพุทธบริษัทเมื่อกีนะ้อาจารย์เจริญบอกว่าจะฟังเทศหลวงตาไหมหลวงพ่อว่าเออเตียนหลวงตาคราวหน้าจะก่อนนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพวกเราทานะลูกหลานคณะสัตธาญาติโยมควรจะทําความเข้าใจ ปฏิบัติตนอย่างไรในท่วงเทศการเข้าพรรษานี้นะในพระในคังพุทธะในพระในคังพุทธการในท่วงเทศการเข้าพรรษาเข้าท่านจะปฏิบัติตนอย่างไรอย่างพระจักคูบาลเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าท่านวันในพรรษานี้ข้าเป็นเจ้าจะเอาอริยบทสัก ยืนเดินนั่งข้าพระเจ้าจะไม่นอนจะไม่เองกายโดยเด็ดขาดเนี่ย ค, คือตัวอย่างคือในพรรษาสามเดือนอใครท้าวขันสนองประกอบคุณงามความดีเราจะเอาเอาอะไรบ้างที่เป็นคุณงามความดีที่มันแก้ยากษที่มันปรับปรุงตัวเองอยักษ์แลเราจะเอาอยัางไงในพร ะ, ะในปัจจุบันยุคปัจจุบัน ท่านเขาบอกเนี่ยเวลาจะท่องปฏิโมกเท่าไรหาว่าขาววายใจไม่สู้นะแต่พอในในพรรษานี้นะข้าพเจ้าจะท่องปฏิโมกใัยได้ในพรรษานี้จากนั้นท้านกดตั้งอกตั้งใจเอาจริงๆก็ไม่เหลือวิสัยนี่แหละอันนี้ก็คือการประกอบคุณงามความดีในพรรษานบางทีเรา ทำกิจการงานจริงไหนก็ตามที่มันทุกขยากที่เอาชนะใจตัวเองไม่ได้นะที่มันเอาอยากมากๆแต่เราเอาเถอะในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะทำอย่างนี้อย่างนี้นคือคุณงามความดีทวันถรกจะปรับปรุงกายว่าใจาใจของเรานะเพอในที่สุดเราก็เอาชนะมันได้พอเอาชนะมันได้ครั้งหนึ่งต่อไปเราเอาชนะมันได้เรื่อยๆไปเลยเพราะว่าเราชนะมันแล้ว แต่ถ้าว่าเราไม่เคยชนะมันเลยมีแต่แพ้อยู่ตลอดเวลาเราจะทํำยังไงต่อไปก็เลยเป็นผู้แพ้ตลอดไปไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะนี่แหละหลวงพ่อจะทําความเข้าใจในเทศการเข้าพรรษาที่จะถึงเนี่ยเราควรจะวางแผนชีวิตของเรานะนัตถาญาติโยมวางแผนชีวิตของเราว่าในพรรานี้เราจะทํำยังไงอฮ้ การดำเนินชีวิตของเราอายุของเราปู่นี้เท่าไหร่เราก็รู้แก่ใจแล้วเราจะปฏิบัติตนอย่างไรหรือมาให้วันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปด้วยเราไม่คิดไม่อ่านอะไรเลยเราคิดว่าเราจะคงยังไม่ตายง่ายหรอกเราคิดอย่างนั้นอย่างนั้นใช่ไหมและคนที่หนุ่มกว่าเราตายไปก่อนเราก็มีตังเยอะแยะเหมือนกัน เพราะนั้นเรา ค, คิดอย่างนั้นกับไปว่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปแต่ถึงยังไงถึงจะตายหรือไม่ตายข้าพเจ้าก็จะประกอบคุณงามความดีอย่างน้อยก็ให้มีคุณงามความดีอยู่ในตัวของเราให้เป็นที่พึ่งของของเราทางด้านจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมกือความไม่ประมาทถึงจะมันจะจากไปเมื่อไรเราก็ยังมีคุณงามความดีบุญกุศลติดตัวของเราติดใจของเราไปอยู่ ดีกว่าที่เราไม่ได้คิดได้อ่านอะไรเลยเมื่อแก่ๆออกไปเมื่ออายุแก่แล้วยังค่อยประกอบคุณงามความดีเราจะไปคิดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะคณะสัาศาศาศายตยาธิรมกหลัล่นรั้นหลวงพ่อขอย้ําเตือนให้กับพวกเราทุกๆ ท, ท่านให้ประกอบคุณงามความดีทุกอริยาบทอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปหลวงพ่อมีแ ต, ต่เตือนเท่านั้นแหละแต่พวกเราจะฟังหรือไม่ฟัง เลิกจะเชื่อเลิกไม่เชื่อ อ, อ, อันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราเหมือนกันหลวงพ่อกบอกไม่แต่บอกเท่านั้นเองบอกให้ฟังเท่านั้นเองแต่พวกเราท่าวาดไตรตรองด้วยเหตุและผลแล้วยอมรับอื่นใช่หลวงพ่อของเราพูดพูดถูกมีเหตุผลพวกเราก็นำไปปฏิบัติแต่้ว่าพวกเรายังไม่ลงใจก็เอาไว้ก่อนนะคิดไปก่อน หลวงพ่อมิทย้ญมเตือนบอกเตือนบอกกล่าวอย่างพระพุทธเจ้าท่านสอนภาษาริบุตรสอนพระสงฆ์ที่มาพร้อมกันดูก่อนสงฆ์ทั้งหลายที่เราตถาคตพูดไปนี่ตรัสไปนี่พวกเธอเชื่อไหมภาษาลิปุรเธอเชื่อไหมที่ที่ตถาคตตรัสไปนี่พูดไปนี่ภาษาริบุตรเป็นอัครสาวกท่านเป็นผู้นำบอกว่ายางกอนพระเจ้าข่าข้าพระพุทธเจ้ายังไม่เชื่อ เออพอพูดเท่านั้นเองนั่นพระสงฆ์ทั้งหลายที่นั่งเป็นน้องๆทั้งหลายอ็ภาษาริบุตรอวดเก่งอวดดีขนาดพระพุทธเจ้าพูดก็ยังไม่เชื่อนีอ่ทำไมแบ่งขนาดนี้วะอพอได้รับเอธัฐฐคตค่ะจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีปัญญาขนาดพระพุทธเจ้าพูดยังไม่เชื่อพระองค์บอกว่าฟังเอาไว้พวกท่านทั้งหลายฟังเอาไว้เดี๋ยวเราจะถามอีกทําไมเธอจึงไม่เชื่อภาษาริบุตร เพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติข้าพระองค์ยังไม่ได้นำไปกันกรองไตรตรองให้ดีสะก่อนในเมื่อข้าพระองค์นำไปกันกรองไตรตรองด้วยเหตุผลแล้วนำไปปฏิบัติแล้วเป็นจริงอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสข้าพระองค์ก็จะเชื่อพระพุทธเจ้าขาดนี่ยละสงทั้งหลายฟังเอาไว้เราะถาคตตรัดอะไรพูดอะไรออกไปอย่าเพิ่งเชื่อ ให้นำไปคิดนำไปกันกรองไตรตรองด้วยเหตุผลชะก่อนในเมื่อมีเหตุผลจริงแล้วก็นำไปปฏิบัติก็ได้รับผลจริงอย่างที่เราบอกกล่าวจึงค่อยเชื่อเนี่ยนี่แหละทำคําคสอนของพุทธนะท่านไม่ใช่ให้เป็นเสนามบคิกาเลยท่านพูดยังไงก็ว่าตามที่ท่านพูดท่านกล่าวท่านตรัสเอาไว้เพราะฉะนั้นเราเป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านะเราต้องมีเหตุผล ที่เราจะเชื่อและไม่เชื่อสิ่งใดก็ตามเราต้องการกลองไตรตรองก่อนจากนั้นนำมาประพฤติปฏิบัติในเมื่อปฏิบัติเราเห็นผลไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะในเมื่อพิจารณาดูแล้วใช่เป็นจริงอย่างนั้นมีเหตุผลไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะอะไรเพราะว่ามีเหตุผลลงจุดนั้นอย่างพวกเขาทาเออหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองไม่เชื่อ เออหนึ่งบวกหนึ่งจะเป็นสองได้ยังไงเอาเอาอันหนึ่งไม้ชีหนึ่งมาสิกับไม้ชีหนึ่งมันเป็นสองอันใช่ไหมมาบวกวกันมันเป็นกี่อันเป็นสองอ่ะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันเป็นสองจริงๆนะเออแล้วจะเป็นหนึ่งได้ยังไงเพราะเอาไม้เอาไม้สองชี้มาบวกมารวมกันให้มันมาวางใกล้กันจะเป็นชี้เดียวได้ยังไงก็ต้องเป็นสองในเมื่อมันลง จุดอยางนั้นแล้วนะเราไม่เชื่อเราก็ต้องเชื่อนี่แหละเหตุผลของหลักธรรมคําสอนของพุทธทาเป็นอย่างนั้นนะศรัทธาญาติโยมนะเออจังหวัดพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์เออใครเขา้ามีเหตุผล อ, อ้างเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจ เ, เพราะฉนั้นขอให้พวกเรานะเออนับถือพุทธทเนี่ยเออไม่ใช่ว่าเขาพูดอะไรขึ้นมาได้ยินไม้พัดใบกเขา้าไปตามเขาไม่เราไม่ใช่หมาใช่ไหม เราเป็นคนเรามีสติเรามีปัญญาเอามันใบไม้ผ่านมาเราจะไม่เชื่อเเลยๆก็ไม่ได้เราต้องฟังดูก่อนมันเป็นความจริงไหมในเมื่อเป็นความจริงมันเพราะอะไรเพราะโลกนี่มันมีหลายแง่หลายมุมหลายหลายชั้นหลายเชิงหลายเล่หลายเหลีย่ยมเออเพราะฉะนั้นเราจะไปเชื่อมุมใดมุมหนึ่งไม่ได้เราต้องมาออกมาหักลบกบนี่กันพิจารณากันกรองไตรตองด้วยเหตุและผลเออเจ้ากอน เออมีเหตุผลหน้าเดียวมันไปได้ เ, เหรียญมีหลายหน้ามันต้องมีหลายหลายแงย่เล่ห์ลีมชั้นเชิงเมื่อเราการกรองไตตองด้วยเหตุและผลแล้วเอออันกนชยัยมันต้องเป็นอย่างนี้ยอมรับนี่แหละอยากจะให้พวกเราทุ ก, กท่านนะคณะตัดทาญาิโยมนะทุกวันนี้ซืออ่อต่างๆไม่ระวัสโซเสียนไม่ลวก วิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์อะไรมากมายเ ร, เราจะไปเชื่อมมุมใดมุมหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งคณะใดคณะหนึ่งพูดขึ้นมา เ, เรากนะ็เสียสูญได้ง่ายๆอีกเหมือนกันเพอร์เพอรนึงเขาไปเข้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราต้องฟังเหตุฟังผลเน่งลูกศิษย์ลงตามหาปัวท่านให้เน่งยืนเน่ง เ, เมื่อเน่งแล้วก็การคลองด้วย ปัญญาในเมื่อปัญญาแล้วกันเราจะรู้ได้ว่าเหตุผลเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ขอให้ขอฝากแนวความคิดนี้ไว้กับคณะตัดทาย ญ, ญาติโยมทุกทุกทันนะขนาดภาษาริบุตรฟังเทศเฉพาะพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้าดูก่อนสาริบุตรที่ตถาคตตรัสไปนี้เธอเชื่อไหมภาษาริบุตรยังตอบกล้าตอบตอบพระพักพระพุทธเจา้าต่อนหน้าพระพุทธจเจ้ายยังก่อนพระพุทธเจา้าข้าพร ข้าพพุทธเจ้ายักไม่เชื่ อ, อขนาดนั้นนะจดมีมาในพระไตรปิฎกนะนี่ก็เหมือนกันเนี่ที่หลวงพ่อพูดอะไรให้ฟังอย่าเพิ่งเชื่ อ, อให้พวกขั้นพวกเราการกรองไต่ตองดูซะกอ่อนแต่หลวงพ่อก่อที่จะพูดอะไรออกไปหลวงพ่อมั่นใจจึงได้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพระรททาษารญาติโยมไม่ใช่ว่าพูดเป่าๆไม่มีเหตุไม่มีผลเคยศึกษามาแล้ว เคยอ่านมาแล้วในพระไตรปิฎกเคยศึกษามาแล้วจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์และกระด็ดปฏิบัติดูด้วยตนเองเออจากนั้นมีเหตุผลอย่างไรจึงได้นำมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมได้ยินได้ฟังแต่พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วลุกพ่อก็ไม่ได้บอกให้เชื่อ อ, อีกต่างหากแต่ขณาพระพุทธเจ้าบอกให้ภาษาริบบทภาษาลิบลบทยังไม่เชื่ อ, อ, อพวกเราก็ต้องใช้แนวแถวของภาษาลิบุตรสิ ได้ยินอะไรมาฟังสักก่อนมีเหตุผลสักก่อนถ้ามีเหตุผลเด็กน้อยพูดเราก็เชื่อสมมเด็น้อยพูดเราก็ต้องเชื่ อ, อไม่ใช่ว่าเราจะใช้ทิฏฐิมานะไม่ยอมฟังใครเฉลยมันก็ไม่น่าถูกอีกเหมือนกันไอ้พระในค้างพุทธเจา้าท่านเรียนจบพระไตรปิฎกมาแล้วยังไปฟังเดียนน้อยแนะนาสั่งสอนบอกกล่าวเรีนน้อยสอน โปทิลัตมีในพระไตรปิฏกไปที่ไหนพระพุทธเจ้าว่าโปทิรัตใบลานเปล่าใบลานเปล่าไอ้คว่าแนะนําคนอื่นได้แต่ตัวเองยังเป็นผู้ยังเป็นผู้มีมกิเลสอยู่ท่านก็เสียใจเสียความรู้สึกมันจริงอย่างพระพุทธเจ้าเพราะท่านรู้ท่านไม่ได้สําเร็จจริงๆเราจะสั่งสอนคนอื่นได้ยังไงเป็นท้องผุงเป็นกระดาษทรายขัดแต่คนอื่นแต่ตัวเองไม่ขัด ท่านก็หนีออกจากหมู่พเพื่อนกลางคืนหนีเข้าไปป่าโรงโพงไปจนไปตึดไปเจอกับพระกลุ่มหนึ่งมีอยู่ส0องค์อีกสามสิบพวกนะอยู่ในป่าพระสามสิบพวก็มีเนน้อยอีกองทั้งหมดเป็นคือพระหารทั้งหมด เ, เข้าไปหาพระเถระโอ้กระผมขอเรียนศึกษากับท่านพระเถระผู้ใหญ่โอ้ยอาจารย์ก็ จบพระไตรปิฎกมีลูกศิษย์ตั้ง5้าร้อยจะให้ผมแนะนำสั่งสอนอย่างไรไม่ได้หรอกท่านอาจารย์ไม่ผมเรื่องอาธธรรมนะ่ผมไม่รู้จริงๆยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลตามแนวแถวพระพุทธเจ้าแต่ปริญญาตันผมผมผมผมยอมแนละ้วเาผมรู้ปริญญาติเนี่ยปริญญาติคือการเรียนการศึกษาเนี่ยคอโุกวันน่คือจบพอทอก้าวงนี้แหละ อแต่ว่าจะภาวนายังไม่ได้ไปไหนจิตสงบก็ยังไม่รู้อย่างเนี้ยอก็ก็ามาหาพระสุขพระกรรมฐานพระผู้ปฏิบัติอยู่ในป่าอาพระอาจารย์ท่านก็มีญา น, านรัตยาธิสารใช่ไหมท่านรู้อ่ะออันนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์ของเราไนงะให้ท่านรู้เนียท่านมียานอพระหรหัสนี่จะมาใครจะฉลาดจิ่งกว่าพระหรหัสน่ะไม่ไม่ได้อาจารย์ตรงนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์ของเรา ท่านก็ไปอาจารย์องค์ที่สองนะท่านเก่งนะไม่เก่งได้ยังไงองค์นั้นก็เป็นพระอรหันต์อีกเหมือนกันไปไปศึกษากับองค์นั้นไปผมพงไม่ได้ความรู้ของผมไม่พอคือความรู้ของท่านไม่พอเพราะว่า อ, องค์นี้นะไม่ใช่สิทธิ์ของท่านท่านสอนไปมันสู้ครูเนะ่ยใช่ไหมละ่ะสอนไปมันสู้ครูนะเนี่ยเหมือนกับหลวงพ่ออินเนี่ยสอนพวกเราท่านทั้งหลายบางคนไปเชื่ อ, ไ, อ, ไ, อไม่เชื่อไม่เชื่อใ น, ในใจใช่ไหม แต่บางคนเออใช่หลวงพ่อนี่พูดถูกนะแต่พอไปหาองค์หนึ่งอีกพอพูดคำสองคาเออนี้สิอย่าพูดถูกลงพ่อีกอไม่ได้เรื่องฮอย่างนั้นมันก็มีอีกเหมือนกันเพราะนั้นครูครูใครอาจารย์เราเราไม่ว่ากันไม่ว่าท่านว่าเราครูครูใครอาจารย์เราถ้าอาจารย์เราไม่ถูกถูกสเปคกันแล้วก็ถูกค อ, อกันเลยลนะแต่ถ้าว่า อ, องคไหนที่ไม่ถูกคอถึงจะพูดถ uo ขนาดไหนก็เถอะปฏิเสธไม่ยอมรับมันมีเนี่ยไม่ไว่ายุคนี้สมัยนั้นยังหมครั้งพุทธกาลก็ยังมีอย่างตรงพ่อจะเล่าเล่าให้ฟังนี่แหละไปองค์ที่สองอีกองค์ที่สองโองคงนั้นองค์ที่สามองนั้นเก่งนะท่านชำนิชานานไปหาองค์นั้นคืออาจารย์คือองค์นั้นก็เป็นพระารหันเองเนี่ยไม่ชํานาญได้ยังไงให้เขาว่าดูแล้วไม่ใช่ลูกศิษย์ของเรา เขาไล่ผักผักผักผักผักไปจนถึงเด่นน้อยองค์สุดท้ายไปถึงเด่นน้อยใ น, นนั้นเด่นน้อยเนาะเก่งนะ เ, เขารู้แจ้งเห็นจริงไม่มีปัญหาอาจารย์ไปศึกษ า, ก เ, าเขาเถอะ เ, อเขาจะสอนให้วิธีาธการอ า, อ, าอาจารย์ก้ม ด, ดไปหาเด่นน้อยเด่นน้อยก็จะเป็นทุกจะทิ้งไปหาใครใช่ไหมล่ะออา อ, าอาจารย์อจะเชื่อผมอยู่หรือผมเป็นเด น, น่ะ อาจารย์ก็หมดทางไปอลไรอย่างเเอาเถอะขนาดอาจารย์ผู้หัวแถวยังส่งมาหาเนนน้อยเนนน้อยก็คงไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันน่อาจารย์ก็ลดทิฐิมานะลงยอาจารย์ที่ไปไปเรียนเนย่ยเอาเถอะเนนน้อยเนนพูดอะไรผมจะเชื่อทั้งหมดอผมจะเชื่อทั้งหมดท่านเนนพูดจริงหร้ออาจารย์จริงเออเอาป่ะถ้าจะเชื่อผมตามผมไปอ่อ อาจารย์ก็เดินตามหลังไปใช่ไหมละ่ะเดินตามหลังเนนน้อยไปพอไปเห็นป่าเนีเมันมีปา่าอาจารย์ก็คองผ้าสังคาติไอ้ผ้าจีวอนผ้าสังคาติไปด้วยเอาอาจารย์เข้าปา่าเลยสิอาจารย์เข้าปา่าเลยสิอาจารย์ก็มาเดามว่าให้เนนให้ให้ให้ให้ให้อาจารย์เข้าป่าทำไมเนี่ยท่านก็ไม่ถาม พ่อเนนบอกว่าให้เข้าป่าท่านก็เดินช่วงช่วงเข้าไปในป่าเลยให้เดินไปชี้จุดนี้เดินเข้าไปจุดนั้นเลยพอเดินเข้าไปป่าอาจารย์อาจารย์ออกมาออกมาเน้นก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมจึงให้ออกมาทําไมจึงให้เข้าไปในป os, ่าเนี่ะไอ้คนนั้นสิออกมา เ, อาเดินตามหลังผมพอเดินไปไปเห็นน้ำวะนี่เห็นไปเห็นน้องน้ําอยู่ในวัดในสระน้ําพอไปเห็นน้ําก็บอกให้อาจารย์อาจารย์ ลงไปน้ำลงน้ำออาจารย์ก็เห็นเนนน้อยบอกใช่ไหมพออาจารย์เนนน้อยบอกอาจารย์ก็ลงน้าเลยนะทั้งผ้าทั้งคาติเอทั้งผ้าผ้าทั้งคาติทั้งผ้าโยนเดินจุ้มจุ้มลงไปพอผ้าจะเปียกอะเนนน้อยก็บอกอาจารย์อาจาย์ขึ้นมาขึ้นมาพอพอพออาจารย์จะขึ้นมาเองก็มาได้ถามว่าเหตุผลที่ลงไปในน้ำเนี่ยเพราะอะไรเอีแต่ พระอาหารหนึมม่งธมเด่น้อยรู้แก่ใจแล้วว่าเนี่ยเราจะทดสอบอาจารย์ดูแท้จะเชื่อเราจริงไหมเนี่พระราหารไม่ใช่ธรรมดาแล้วจะเชื่อเราจริงไหมถ้าบอกว่าเอ้ยให้ให้อาจารย์เข้าไปทําไมให้ผมเข้าไปทําไมเนี่ยเข้าป่าให้ลงลงไปยังไงนะถ้าถามสอบถามอย่างงั้นไปว่าบอกอะไรไม่เชื่อแหละไปว่าไม่สอนไม่สอนวิชาให้แล้นี่บอกบอกอะไรยอมมดเถอะนี่ย เอออาจารย์เนี่ยคงจะยอมแล้ววะบอกให้เข้าป่าก็เข้าบอกให้ลงน้ําก็ลง อ, อแต่นี่ก็หาที่ทําเลที่นั่งใช่ไหมเขาอยู่ในป่ามีท่อนไม้ขอนไม้ทำเลที่เหมาะเลยเ อ, อ้าอาจารย์นั่งอยู่นั้นผมจะนั่งอยู่นี่เนียนน้อยออก่อนพอเสร็จแล้วกันเด่นน้อยก็ถามอาจารย์ที่ผมจะเล่าให้ฟังผมจะพูดให้ฟังให้อาจารย์สังเกตนะ ให้สังเกตตามที่ผมได้พูดได้กล่าวให้อาจารย์ตั้งใจแล้วก็ฟังที่ผมจะพูดให้ฟังเนี่ยนะผมจะเป็นอุปมาอุปไมยให้ฟังให้อาจารย์ให้สังเกตที่ผมจะพูดเนี่ยอาจารย์ครับสมมุติว่าสมมุติว่ามีจอมปลวกอยู่จอมหนึ่งจอมปลวกใหญ่ยบจอมหนึ่งแต่มีรูอยู่หกรู ในจอมปลวกนั้นแต่มีเฮี้ยใหญ่อยู่ตัวหนึ่งตัวเงินตัวทองน่ะมีอยู่ตัวหนึ่งอยู่ในจอมปลวกนัแต่เฮี้ยใหญ่ตัวนี้น่ะตัวเงินตัวทองตัวนี้น่ะวันดีคืนดีมันกับโผล่หง้ออกมาในรูหน่งแล้วก็วันดีคืนดีมันกับโผล่หง้ออกมาในรูน่งในห้ารูนั่นน่ะเออมันก็โผล่หง้อออกมาในห้ารู ออกมาเพื่อจะออกไปหากินหร อ, อกออกไปรับรับอากาศบ้างออกไปมองดูอะไรบ้างลักษณะอย่างนั้นอนะ่ะในห้ารูนแต่ท้นที้อาจารย์จะจับตัวเหี้ยตัวนั้นอนะ่ะจับตัวเงินตัวทองนั้นอาจารย์ต้องปิดนะหาใบไม้ทําเป็นมัดให้แน่นะอุดรูนอดุดรูห้ารูนแล้วก็เอาจอบขุดลงไปเอาเสียมขุดลงไปรูดักไปเอ่อ ขุดตามรูรูรรดักพอจับลงไปเฮียมันไม่มีทางออกมันก็อยู่ในจอมปวกอาจารย์ก็จะจับเหียได้เอเหียตอนนั้นอยู่ในก ร, ร ม, มือของอาจารย์เลยลอาจารย์พอเข้าใจไหมที่ผมพูด อ, อาจารย์ใช่ใช่ใช่เข้าใจเข้าใจเข้าใจเข้าใจที่ทสม็จพูดผมเข้าใจเออนั่นแหละ กห้อาจารย์ไปจัด ก, การเลยนะครับพรฉะนั้นสัมมาเดนกับพระเทรศก็เลยย้ายไปจากนั้นพระเทรศก็ไปนั่งภาวนาอะไรต่างๆเอ่ความหมายคือสมัมมาเดนคืออะไรก็คือเนี่ยร่างกายเนี่คือจอนปลวกใช่ไหมล่ะเอ่ร่างกายนี่คือจอนปลวลก เฮี้ย er ใหญ่นะั่นคือใจใช่หมนะแต่คือนามว่าทใจนะ่ะอยู่เฮี้ยใหญ่มันโผล่ออกมาทางหากินของมันออกมาทางตาเออตาไปเห็นลูกเออที่น่ารักใคร่ชอบใจก็เกิดราคาขึ้นมาถ้าตาของเราไปเห็นคนเบี้ยวปากกำบัดกำวยใจจะเตะแข้งเตะขาจะเออทำมากับกิิยาไม่พอรบเราแล้วก็ปลดให้เขา เอออันนี้แหละคือตัวเฮีย้ยออกไปออกไปทางตาไปเห็นมันออกไปทางหูถ้าคนพูด เ, เสียงไพเราะติดใจเกิดการราคากิเลสราคาขึ้นมาถ้าหาว่าได้ยุนได้ยินเสียงที่เขาดา่าเขาฉาบเขาแช่งโมโหให้เขาฟันออกหูอีกเออไปว่าเฮีย้ยตอนนั้นโกรธแะ้วแบบนัน นี่แหละมันออกแต่ละวีแต่ละวันเนี่ยมันจะออกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายในทางทางหากินของเฮี้ยใหญ่เอ่อทางหากินของตัวเงินตัวทองมันจะออกไปทางเอ่อตาหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายเอ่อสรุปแล้วก็คือมันออกไปหากินแต่ละทางมันร่วนแล้วจะเป็นกิเลสราคะโทสะโมหะโรคโอดหลงเอ่อออกไป ทางหา ก, กินของเหี้ยใหญ่แต่ทีนี้เรากดทางตัดเข้าไป เ, เข้าไปหาใจเลยนะเีนจากนั้นก็จับตัวผู้รู้ได้มันออกไปทำไมมันเหตุมีเหตุผลอะไรเอาสมาธิเข้าไปไปจับตัวเหี้ยใหญ่อยู่ให้มันอยู่เลยนะเกดคอมันอยู่กับดินเลยนะให้มันอยู่นน่งผนละที่สุดเหี้ยมันก็ไม่ออกหากินใช่ไหมมันอยู่ในสมาธินี่แหนะ จากนั้นก็ น, นำเหตุนั้นน่ะนำมาพิจารณาการกลองไตรตองเหตุและผลเออมันไปเห็นทางตามันเกิดความรู้มันเป็นเพราะอะไรโอนิจิวนั้นพระเถระผู้ใหญ่ท่านกํนลาลังพิจารณาอยู่พระพุทธเจ้าก็เป่งพระราชมีมาสอนอีกท่า น, นเองจริงจรงจากนั้นโพธิลัทธ์เออเธอควรปฏิบัติตนอย่างนี้ทําใจอย่างนี้อย่างนี้ พระโพธิลัทธิท่านก็ฟังโอวาทจากพระพุทธเจ้าอีกรอบหนึ่งโดยทางพยานโดยทางรัศมีทางอิทธิฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แตกฉานในปฏิสัมพิทายาณอีกต่างหากเพราะท่านเรียนรู้พระไตรปิฎกมาแล้วความรู้ของท่านกับประสานเข้ามากับธรรมธรรมของท่านกับประสานกับความรู้ของท่านท่านได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นผู้แตกฉานเป็นกําลังหลักให้พระพุทธเจ้า อีกต่างหากถึงเพราะาท่านเป็นผู้มีญาณมีความรู้เนี่ยนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาหลักธรรมคาสอนของพวกไเจ้าไม่ได้อยู่กับผู้ใดใครผู้หนึ่งแอลุงพ่อพูดเห็นไหมอย่าเพิ่งเชื่อแอลถึงขนาดพระโตโัวโพธิลัตท่านแตกฉานได้อัดได้ทำขนาดนัด้นท่านยังไปเรียนศึกษากับเนนน้อยแอลเนนน้อยไม่ใช่เนนน้อยธรรมดาคือเนนน้อยพระอรหรันต์นี่แหละอันนี้ก็เป็น พวกเราท่านทั้งหลายถ้าใครก็ตามพูดมีเหตุมีผลแล้วเราเชื่อได้ทางนัด อ, อถ้าหาว่าพูดออกมาแล้วหัวงอกหัวขาวก็เถอะพูดออกมาแล้วไม่มีเหตุมีผลเราก็ต้องฟังไว้ก่อนแล้วก็ไม่ยังไม่ดูถูกนะยังไม่ดูถูกเกียดย้มใครทั้งหมดฟังได้ทั้งหมดแต่เราจะเชื่อและไม่เชื่ออยู่ในใจของเรานะนะอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายนะเป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงตานะเป็นลูกศิษย์ของ เป็นพุทธศาสนิกิตชนหลวงพ่อว่าให้พวกเราท่านทั้งหลาย ใ, ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างเพราะโลกนั้มันมีเหตุมีผลของแต่ละเรื่องนะนะวันนี้หลวงพ่อได้มาพบกับศรัทธาญาติโยมแลวก็วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้ามิถุนายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าและวันพุพรุ่งนี้เป็นวัน อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนาเป็นการทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีในสวนวัดสวนแสงธรรมของเราในวันพรุ่งนี้อันนี้ก็ขอแจ้งข่าวให้คณนะสัตยาญาติโยมบอกกล่าวกันพวกเราก็รู้แล้วล่ะแต่ที่ท่านยังไม่รู้หลงลืมไปก็ บ, บอกกล่าวกันให้ทั่วถึงให้มาร่วมกันทอดผ้าป่าสร้างบุญสร้างกุศล แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวจวนจะเข้าพรรษาในพรรษาที่จะถึงเนี่ยเราเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างพระจักคุบาลท่านก็ยังตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าจะเอาอริยบทสเดินเดินนั่งจะไม่นอนเด็ดขาดในพรรษานี้บางองค์ในยุคสมั ย, ย อ, อย่างหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นสมเด็จจัท่องปฏิโมกให้ได้ ในพรรษาหลุงพ่อก็ท่องได้จริงๆภายในเดือนกว่าๆท่องปฏิโมกได้จบตะกอนโอ้พอจะท่องปฏิโมหาากหาว่าขาววายใจไม่สู้้มันท่องยากเหลือเกินแต่เอาเถอะยากก็ง่ายมันใครเป็นคนเป็นคนท่องให้เราเราเป็นคนท่องเองเราก็ท่องจนจบได้เราก็ภาคภูมิใจอีกตา้พอเราท่องปฏิโมกจบได้ นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันนะในพรรษาที่จะถึงนี่เราปล่อยป่ามาอายุของเราเท่าไหร่พวกเราคณะัตถาญาติโยมทุกท่านรู้แก่ใจว่าอายุของข้าเท่าไหร่อย่างหลวงพ่ออินเดียในอายุเท่าไหร่หลวงพ่ออินหลวงพ่ออินก็บอกอายุ72็ดสิบสองปีในพวกเราก็คงจะรู้แก่ใจเหมือนกันแต่ในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะทํำยังไงจะวางแผนยังไงวางแปลนยังไงที่จะประกอบคุณงามความดี เนือเราจะปล่อยปะละเลยปีแล้วปีเล่าอย่างนั้นใช่ไหมก็ไม่น่าจะถูกนะเพราะเราเป็นพุทธศาสนิกชนเป็นพุทธบริษัทเป็นบุตรของพุทธะเป็นพุทธบริษัทสีของพุทธะเนี่ยเป็นเข้าเข้าคุ้น่วนกับพุทธะเนี่ยจะบอกพุทธบริษัทเข้ามาบริษัทของพุทธะล้วเราควรจะทำตนอย่างไรนี่แหละในพรรษาที่จะถึงนั้น ต่นอกพรรษาเราก็ผ่านมาเป็นลูกกี่ปีแล้วล่ะในพรรษาเนี่ยเอาทในพรรษาเนี่ยเราเป็นพุทธศาสนิกชนแต่เราไม่เคยปฏิบัติเป็นพุทธศาสนิกชนที่ถูกต้องเลยในพรรษาเนี่ยเราจะเ อ, อเอาสักอย่างหนึ่งเอาเทอััดับแรกเราจะไหว้พระทุกวันไม่ให้ขาดก่อนหลับก่อนนอนออตอนหัวค่ำเราจะวาอาลัง กลาพุโทโธธรรมโมสังโฆนิพานังจากนั้นก็ระหังสม า, ส ธ, สาสธิพุทโธสวาคัโตสุปฏิปันุณนะโมตัสสะปะเกาวะโตจากนั้นก็พุธทธังทำมังสังขังดุติยัมปิพุธทธังทำมังตาติยมปิพุทธังทำมังสังขั ง, ตาตางาสารนังคัจฉ า, า, า, ามิาได้เพียงแค่นี้ก็พอแล้ว่ะไม่ได้มากก็ได้เพียงแค่นี้ก็พอจากนั้นก็แผ่เมตตาแผ่เมตตานั่งปนุนมือให้นิ่ง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 มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุกเวทภัยกว่าจะไม่มีพร้อมที่จะให้อาภัยกับทุกคนที่เขามาล่วงเกินเราไงนี่แหละอันนี้คือคนที่มีเมตตาในจิตใจนี่แหละจากนั่งกันนั่งภาวนาถ้าเป็นไปได้นะนั่งภาวนาสักข้านาะทีสิบนาทีได้ไหมเอาเถอะข้าพไปเจ้าจะนั่งมีเวลาข้าพไปเจ้าข้าพไปเจ้าจะนั่งสักสิบนาทีตั้งนาฬิกาไปเลยตั้งนาฬิกาไว้พนมมือขึ้นระหว่างอกนะ ไหวพระพุทธเจ้าสัก่อนพุทธโธธรรมโอสังโฆพุทธโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบาจากนั้นเอามือลองอาขาขวาทับ ม, มือซ้ายแหละเอามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกับหายใจเข้าบริกรรมพุทหายใจออกบริกรรมโทอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าแต่เมื่อกี้เนี่ยมีคนเข้ามาถามถ้าผมกํานดลมหายใจเข้าออกรัวสิวมันคล่องแต่พอ กำหนดพูดโทรเข้าไปนะมันอึด อ, นะอัดนะหลวงพ่อผมจะทํำยังไงเอาเราได้ผลไหมหละ่ะถ้าวันเรากําหนดลมหายใจเข้าออกมันอยู่นิ่งเราก็ไม่ว่ากันถ้าว่ากําหนดลมหายใจยังทะเลท่านั้นทะเลไหลยอยู่เออแล้วกําหนดพูดโทรมันอึด อ, อัดเออกาหนดลมหายใจธรรมดาเนี่ยมันได้ผลไหมไม่ได้ผลครับมันตุดออกปล่อยนั่นเราก็บังคับมันสิถึงจะอึดอัดก็ต้องบังคับมัน เอออย่าให้มันสบายได้ยังไงพิธีการภาวนาพิธีการทํางานเออไม่ใช่ว่าไปทํางานทําการอันไหนงานอันไหนเบาเบลเรื่องจะทํามันแล้วได้ผลมาเป็นไงงานเบาเบลมันได้ผลมันได้เงินไหมถ้ามันไม่ได้เงินจะทําทไปเพื่ออะอไรเพราะทําให้ได้เงินถึงจะงานหนักบ้างแต่มันได้เงินเป็นกอบเป็นกำเราพอคลรจะเสียในการทําในการหาเงินนะมันจึงจะทูกหลวงพ่อว่านะ นี่ก็เหมือนกันอ่ะครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าถ้ากำหนดลมหายใจอย่างพระพุทธเจ้านะกํายหนดลมหายใจเข้าหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัตสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาแต่พอมาถึงยุคเราเนี่ยหลวงปู่มั่นบอกว่า ถ้าบริกรรมแต่กำหนดลมหายใจเข้าออกมันหลงมันลืมได้ง่ายนะมันลืมมันเผลอได้ง่ายมันหลงได้ง่ายควรจะสมทับกับพุทธโธด้วยหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโธไอข่าวว่าจึดพุทธโธเป็นหลักจิตใจมันจึงจะเข้าสู่ความสงบนิ่งได้นะอันนี้คือหลวงปู่มั่นท่านสอนสอนลงปูขาวสอนลงปูฟัน สอนหลวงปู่เทศหลวงตามหาบัวหลวงปูล่ลาท่านสอนหมดถอนลักษณะอย่างนี้แต่ครูบาอาจารย์ของเราครูบาอาจารย์ของพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นท่านก็ยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์หลวงตามหาบัวท่านบอกว่าแตะกอดท่านก็กําหนดลมหายใจเข้าออกเมื่อสมัยเรียนหนังสือพอเขาไปอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นสอนมหาท่าว่าภาวนา กำหนดลมเฉยๆนะ่ะมันหลุดได้ง่ายนะต้องสำรับกับพุโทโธนะจิตพุทธโธเป็นหลักเวลาขาเก้าเก้าขาขวาพุทธขาซ้ายโถ เ, เวลาเวียงไม้กวาดปัดกวาดเวียงขวาพุทธเวียงซ้ายโถ เ, เวลาเราจะเดินไปเราจะนั่งฉันอาหารก็มีสติในการฉันในการฉันจะส่งจิตไปที่อื่นเวลาเรานั่งภาวนา ประจำที่กำหนดลมหายใจของบริกรรมพุทธหายใจออกโทนี่แหละยึดพุทโทนะเป็นหลักนะถ้าท่านปล่อยจิตใจไม่ยึดพุทธโถมันหลงมันลืมมันหลงเงืงง่อนได้ง่ายมันหลงส้นได้ง่ายนะจากนั้นหลวงตามหาบัวท้องก็ยึดแนวแถวปฏิปทาหรือ ว, ว่ายึดแนวของหลวงปู่มั่นอาจารย์ของท่านแนะนำสัง่งสอนท่านก็วัดได้ผล อ, อจดจิตใจมั่นใจว่าจังแต่บัดนี้เป็นต้นไปใจของเราจะไม่เสื่อมอ่าอันนี้แหละคือแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรานะคติธรรมญาติโยมที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนี่นะแต่หลวงพ่อเองเออไม่ได้ศึกษาสายอื่นศึกษามาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแต่หลวงพ่อก็มั่นใจว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายของเราเนี่ยที่ท่านแนะนําสั่งสอนเนี่ยจนถึงมรรคถึงผล วิธีทําจิตให้สงบแล้วต่อไปขั้นตอนเป็นยังไงขั้นตอนในการบริการภาวนาเข้าไปบางองค์ก็มีแต่ให้สงบเพรานะั้นยุบหนอปองหนอนะอ้อยอยู่เท่านั้นเพียงแค่นี้นี่แหละคือวิปัสสนาแต่สายโนปุ่มันไม่ใช่อันนี้คือสมถะเท่านั้นแต่วิปัสสนาควรเดินแบบนี้แบบนี้แบบนี้จนถึงเข้าสู่จิตใจจนถอนลากถอนโคนออกจากจิตใจ กิเลสราคะโหาสหะสมันไม่อยู่ในกายนะมันอยู่ในใจนะอต้องเข้าไปถึงจุดตัวผู้รู้คือใจใจนั้นปล่อยวางที่ใจไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจนั่นแหละอันนี้ก็คือแนวแถวของพ่อแม่ผูบาอาจารย์สายหลวงปู่มัน่นถ้าพวกเราศึกษาแล้วเรามั่นใจว่าพ่อแม่ผูบาอาจารย์ของเราเนี่ยสารสอนถึงเถึงมรรคถึงผล ถึงการปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นฉุนถึงมรรคผลนิพพานจากนั้นเมื่อท่านล่วงดับดับขันไปมรณะภาพลงไปกูบายจารย์ที่องค์ไหนที่ท่านประกาศในตัวของท่านอัธิธาตของท่านกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นประธาให้เราได้เห็นได้รู้เนี่ยคือกระดูกของพระอรหันต์คือเป็น เปลี่ยนเป็นเม็ดเป็นเม็ดกลมหรือเป็นเม็ดแก้วเป็นอะไรขึ้นมามีรากมีลหลักหลายในอดีตท่ทาทของท่านนี่แหละอันนี้เราควรจะมั่นใจในปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะที่หลวงพ่อพูดทางนี้ท้งนั้นกับอย่างที่หลวงพ่อได้พูดบางต้นอย่าเพิ่งเชื่อนะให้พวกนําพวกเรานําไปการกรองไตร่ตรองแล้วนําไปปฏิบัติดูพิธีการปฏิบัติ ทำยังไงวิธีการปฏิบัติพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ของพวกเราถ้าบริกรรมพุโทพโธพุโทโธพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธมันจะให้สงบนิ่งทีเดียวเป็นไปไม่ได้แอบไม่ใช่ว่าเราปลูกข้าวกอเดียวจะเป็นข้าวพออิ่มเต็มท้องเลยมันเป็นได้อย่างไรไม่ว่างานประเภทไหน เ, เราจะบริกรรมวันเดียวพุทธโธพุทโธจิตใจสงบนิ่ง มันเป็นไปอย่างนั้นได้ยากเว้นเสียแต่ว่าผู้มีบุญว่สน า, าบาลีเออเอาเงินไปลงทุนไม่กี่ต่างได้กกับได้เป็นเศรษฐีเพราะถูกถูกหวยแจ็พอตน่มันมีมากไป ม, มันไม่ใช่น้อยน่เอมันไม่ใช่มากนะมันหายากมากะที่จะเป็นอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันที่องค์ได้อย่างนั้นพอๆนาพุทโธพุทโธในครั้งสองครั้งได้สำเร็จมากผลศึกษาในประวัติของท่านสิ ท่านบำเพ็ญมาเพราะพระเจ้ากี่พระ อ, องค์ที่ท่านบำเพ็ญมานานยืนยาวนานที่เดียวจนมาถึงพบนิชชาตินี้พอได้ฟังอัดฟังธรรมต่นนั้นไม่กี่คำท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่พวกเราศึกษาดอสิมันไม่ใช่ธรรมดาเพราะนั้นพวกเราเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นอย่างไงถ้าว่าพ ว, พวกเราได้บำเพ็ญมายาวนานเนี่ยถ้าหลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ย เอาเอดเอาอัดเอาทำของพระพุทธเจ้ามาบอกมากล่าวให้พวกเราอยู่ในความสงบน ะ, นะให้ดูใจคนตนเองนะอย่าไปสงจิตไปทางอื่นให้ดูใจนะเพียงแค่นี้น่ะพวกเราก็ได้สําเร็จมรรคผลแล้วพราะดูใจรู้แจ้งเห็นจริงที่ใจปล่อยวางที่ใจหยุดพ้นที่ใจแต่นี้พวกเราฟังแล้วฟังอีกนะฟังแล้วฟังอีกเพื่เผยังโมงโหให้พูดเทศเทศผู้ฟังผู้แสดงอีกต่างหากทาไมพูดซ้า สาบเตื้อลนะอ่ังนักเอทําไมไม่พูดไปอย่างอื่นบ้างฮอย่างโมโหอีกนะเอมันเป็นอย่างนั้นไปอีกเพราะอะไรเพราะว่าเอบา ร, รมีของเรายังอ่อนอยู่พูดง่ายๆถ้าคุณบา ร, รมีของเราแก่กล้านะอพอฟังแป๊บเดียวเราก็ได้รู้เข้าใจนี่แหละในหลักทำคําสอนของพุทธะเวลานั่งสมาธิก็เหมือนกันเวลาเรานั่งสมาธิพอ น, นั่งเข้าไปแล้วจะได้ให้สงบ เชือกเย็นไปเลยโดยไม่คิดไม่ผูกจิตใจเป็นคณิกาอุปจาระอัปปนาสมาธิเลยมันยากนะคณะชาติญาจโจมลูกหลานทุกคนนะมันไม่ใช่ของได้ง่ายๆอย่างนั้น เ, เพราะนั้นให้เราเกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกพุทโธพอสองสามคำพุทโทเธเท่านั้นนู่นไปอังกฤษอเมริกายุโรปที่ไหนร้านอาหารที่ไหนก็มหม่ทู้กท่านเออม เออพอเอามันไปที่ไหนแล้ววะเอากลับมาพุทโธไม่เอก็กแต่ถึงยังไงก็ตามเรามีความพยายามมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจถึงมันจะไปที่ไหนพอมีสติขึ้นขึ้นมาเอาดึักลับขึ้นมาพอกลับขึ้นมานะแล้วกับบริกรรมอกีกพุทโธพุทโธอกีกมันหายไปเอากลับขึ้นมาหลายครั้งต่อหลายหน ม, มันจะถี่ขึ้นเรื่อยๆสติของเราก็พร้อมพร้อมที่จะแก่ขึ้นเรื่อยๆเนี่พอมันแก่ขึ้นมาเราก็เป็น กำหนดออกไปก็ขยับไปเราก็รู้แหละใจมันจะออกนะมันรู้ถึงขนาดนั้นสติของเราทันมาแลยถงจากนั้นใจของเราก็รวมเริ่มรวมสงบ น, นี่เข้าไปเรื่อยๆพอจิตใจผ่านความสงบสักครั้งหนึ่งเท่านั้นเออรู้ได้เออวิธีการทำจิตใจให้สงบจิตใจสงบเป็นอย่างนี้เองหนอนัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเป็นอย่างนี้เองหนอ นี่แหละเราก็รู้รู้ได้ด้วยตนเองเนี่ยจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วต่อไปเราก็พยายามพยายามจิตใจให้สงบแต่ว่าเราจะไปเอาเรื่องของเก่ามานะเราจะไปคิดมันสงบเมื่าเราควรจะปฏิบัติอย่งางไรใช่นะเอาต้องเป็นเรื่องใหม่กําหนดเราเราไม่ต้องใส่ใจแล้วเหมือนกับเราทานอาหารเมื่อวานทานอาหาร อ, อ, อร่อยอร่อยถูกใจแต่ว่านี้เราไปคิดเรื่องเก่ามันจะได้หรอ มันไม่ได้หรอกนอาหารมันผ่านไปแล้วอันนั้นเรื่องอดีตนะเราจะไปใส่ใจมันเราเดี๋ยวนี้เราจะทำยังไงจะปรับปรุงยังไงในการประพฤติปฏิบัติของเราจากนั้นเราก็ตั้งต้นใหม่จากนั้นเป็นใหม่ไปเรื่อยๆผลในสุดแต่ละวีแต่ละวันเราพัฒนาตัวเองผลในสุดจิตใจของเราก็มั่นคงเชื่อมั่นแน่วแน่ในเรื่องสมาธิเมื่อจิตใจผ่านความสงบแล้วนะ พ่อแม่ครูบาอาจารย์สายลุงปู่ลงตาเนี่ว่าให้นํามาพิจารณาเนาะให้เดินวิปัสสนาเนี่ยที่ทำจิตใจให้สงบนั่นคือสมาธิคือทําจิตใจให้สงบถ้าจิตใจไม่สงบซะก่อนนํามาพิจารณามันไปได้มันทะเลถลายเหมือนกับเด็กไม่มีสมาธิในการเรียนหนังสืออย่างนั้นแหละลูกหลียนลูกเนลูกเรียนลูกเรีนลูกเรียนอย่งนั้นถ้าจิตถ้า เด็กที่เน่งเป็นสมาธิแล้วเอามาสอนเขามันก็เข้าใจได้ง่าย เ, เด็กๆจะเข้าใจจากนั้นเมื่อเข้าใจแล้วก็จะสอนไปยังไงมันก็เข้าใจนี้ก็เหมือนกัน่ะจิตที่เป็นสมาธิแล้วจิตที่นิ่งแล้วนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเห็นอเนจังผูกขังอน้าตา เ, เห็นตามความเป็นจริงของร่างกายร่างกายของเรามีอะไรบ้าง แต่โดยมากท่านให้พิจารณาร่างกายนะสายหลงปูมั่นนั่นให้พิจารณาร่างกายแต่แต่สายอื่นท่านให้พิจเวทนาบ้างจิตบ้างธรรมารมณ์บ้างแต่หลวงปูมั่นให้พิจารณากายให้ม้างกายคุบาอาจารย์ม้างกายภ า, า, า, ยาษาทางอีสานเนี่ยม้างก็แปลว่าลือกายแยกกายแยกกายแต่แยกกายแยกยังไงสมมุติเราสมมุติในใจเรานึกอยู่แกสาผม ถอนผมออกมากองไว้กองหนึ่งโลมาขนถอนขนไว้กองหนึ่งหนะขาเล็บถอนเทบไว้กองหนึ่งทันตาฟันถอนเขี้ยวฟันเอาฟันไว้กองหนึ่งตาโจหนังถลกหนังทั้งกบทั้งแผ่นในร่างกายมาไว้กองหนึ่งมังสังเนื้อช้าแหลกเนื้อของเรามาไว้อีกกองหนึ่งเอ็นกระดูกเจื่อในกระดูกเหมือนกช้าแหลกอาจารย์ใหญ่ลักษณะอย่างนั้นแหะเออช้าแหลกรร่างกาย พอจำแหลกเสร็จเรียบร้อยแล้วจะดีไม่ใช่พิจารณาครั้งเดียวพิจารณาทบทวนหลายครั้งจำแหลกหลายครั้งดูร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเราตายไปแล้วเขาจำแหลกเป็นอย่างนั้นใช่ไหมมันเริ่มเป็นอย่างอื่นมันก็ยอมรับเลยจิตใจที่ผ่านสมาธิมาแล้วนะ่ะอถ้าาจิตใจไม่เป็นสมาธินมันจะไม่ยอมรับนะมันจะสู้ครูมันจะไม่ยอมรับแต่เมื่อจิตใจเป็นสมาธินิ่งแล้วนะ่ะมาพิจารณาร่างกายมันจะยอมรับ ยอมรับใช่อันนี้คือเหตุผลที่ใช่คนตายไปแล้วนถ้าเราตายมาก่อนเนะต้องจำไร้ผมขนเล็บฟันหนังเนือ้อเอ็นกระดูกเยอในกระดูกม้าหัวใจตับพังปืดไตปอดใช่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าร่างกายของเราเป็นอย่างนี้นี่แหละยอมรับไหมร่างกายของคนเราตัวของเราเป็นอย่างนี้จริงไหมใจใจที่ผ่านสมาธิแล้วมันยอมรับใช่ไม่เป็นอย่างอื่นเป็นอย่างนี้จริง ในเมื่อร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราจะต้องแตกสลายสู่ดินน้ำลมไฟในที่สุดนะส่วนอื่นลนะ่ะเอวัดวาศาสน า, า, า, า, าที่หลวงพ่ออินเป็นสมภารวัดเนี่ยวัดเป็นของหลวงพ่ออินใช่ไหมหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินก็ต่อไม่ใช่นะขนาดร่างกายหลวงพ่ออินยังจะเอาไปออกไฟเผาทิ้งอยู่แล้วอวัดหลวงพ่ออินจะเป็นของพวกหลวงพ่ออินได้ยังไงขนาดวัดร่างกายยังจะเผาไปทิ้ง และศรัทธาญาติโยมเป็นของหลวงพ่ออินใช่ไหมหลวงพ่ออินโ อ, โอ้ไม่ใช่ขนาดหลวงพ่ออินเนี่ยร่างกายหลวงพ่ออินยังไปเผาไฟทิ้งญาติศรัทธาญาติโยมจะเป็นของหลวงพ่ออินได้ยางไรเนี่ยหลวงพ่ออินกับปฏิเสธเดเนีสุขสิ่งทุกอย่างเออของใช้ไม้ส้อยลูกศิษย์ตุกหาศรัทธาญาติโยมเอ่ที่รู้จักมักคพุนยศถาบรรดาศักว์ทั้งหลายทั้งปวงเอ่เป็นของหลวงพ่ออินใช่ั้มไม่ใช่ หล่งพออิน อ, อร่างกายโล่งพ่ออินโล่งพ่ออินจะเผาไปทิ้งอยู่แล้ว อ, อสิ่งเหล่านั้นเป็นเที่ยงเป็นเครื่องปัจจัยอาศัยชั่วข่าวเท่านั้นนะใจนะออยอมรับไหมใจมันก็ต้องยอมรับใช่มันยอมรับเป็นปัจจัยเพราะฉนะนั้นสิ่งที่ปัจจัยอาศัยชั่วข่าวเหล่านั้นเออถึงจะรักมันก็ไม่รักมากถึงจะโกรธมันก็ไม่โกรธมากเองเพราะอะไร เพราะมันไม่ใช่ตัวตนของเราอีกสักวันหนึ่งเราจะหันหลังให้มันอยู่แล้วนะักใจนะเนี่แหละจากนั้นก่อนมาดูที่ใจถึงใจมันหลงหลงร่างกายใช่ไหมหลงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมว่ายึดมั่นว่าเป็นของเป็นตัวตนของเราใช่ไหมขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราใจอย่าไปยึดว่าสิ่งเหล่นั้นเป็นของเราใช่ไหม ใจมันก็ถอนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายนะจ๊ไม่ยึดมั่นถือมั่นมันปล่อยวางที่ใจนะมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอาณาจัญาติโยมทุกๆท่านนะมันอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจหลุดพ้นที่ใจแ้กันจึงยกเป็นพุทธภาสีามโนปุพังคขามาทำมาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ นั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะนี่แหละธรรมะทำคำสอนของพุทธะในพรรษาที่จะถึงเนี้ยพวกเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรอันดับแรกให้ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาแล้วก็เพื่อที่จะผู้ใดเคยติดการพนงการพนันก็งดเป็นจกักรวะที่าสาเดือนทดลองลเอาซิเราจะไม่เล่นไม่เที่ยวไม่เตรเราจะงดดึงสุราสาเดือน เราจะงดบุหรีสามเดือนเ อ, อ่มันทํำไมอดยากนะเอาตายเป็นตายเลสิขนาดพระจักรคูบาลแต่ท่านอดนอนทั้งสมเดือนถ้ายังอดนอนได้เ อ, อ่เราจะอดเพียงแค่นี้มันจะตายเหรอเอาสิจิตใจเข้มแข็งเลสินี่แหละถ้าว่พวกเราขอจิตใจของเราเข้มแข็งนะแต่เราเอาชนะมันได้ทุกอย่างนะถ้าจิตใจของเราอ่อนปวกเปียกนะ อ, อ, อ่อนปวกเปียก มันสู้กิเลสไม่ได้นะเงี้ยกิเลสภายในใจของเรามันเข้มแข็งมากมันติดภพติดชาติมันมนานเพราะฉนั้นเราจะอชนะมันไม่ใช่ธรรมดานะอนะตตราญาติโยรูกหลายคนนะอันนี้นะในพรรษาที่จะถึงพวกเราควรจะวางแผนเอาไว้จากนี้ไปก็ยังไม่ถึงเดือนนะเอเขาจะทําความโชวเขายัางวางแผนแต่ข้าพเจ้าจะวางไปซื้ออาวุธที่ไหนเอาเงินที่ไหน แต่ไปวางให้เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สาม mm hmm. ที่จะจัดการในเรื่องนี้เขาอยัางวางแผนพวกเราจะวางแผนประกอบคุณงามความดีจะฆ่ากิเลสภายในใจจะไม่มีการวางแผนวางแปลนเลยเอาเถอะในภาษาที่จะถึงในกิจการงานของเร า, เ, าเราควรจะมอบหมายให้คนนั้นคนนี้แต่วันพระอย่างนี้เราควปรปฏิบัติตนอย่างนี้แต่มอบให้คนนั้นคนนี้เป็นผู้ดูแล เราจะภาวนาเราจะปฏิบัติเราจะรักษาศีลเราจะรดดื่มสุราเหล่านี้แหละให้พวกเราวางแผนเนอะบางทีกับท่อสวดมนต์เจ้เอาเถอะในพรรษานี่ยข้าพเจ้าจะท่องพยายามท่องสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์ไม่ไปที่ไหนเลยแต่อย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าบางคนมีพ่อมีแม่อยู่เออเอาเถอะในพรรษานี่ ข้าไปเจ้าห่างเหินจากครอบครัวห่างเขินจากพ่อจากแม่แต่พ่อตาแม่ยายของเราในพรรษานี้เราจะเป็นกรณีพิเศษแหมเราจะไปหาพ่อตาแม่ยายมาหาปู่ไปหาพ่อหาแม่ของเราพาลูกของเราไปแสดงความเคารพคารวะทางพ่อตาแม่ยายทางพ่อทางพ่อของเราทางแม่ของเราแหมทางพ่อบ้านกับภาพ แม่บ้านลูกๆมาหาปู่ย่าประหาพ่อทั้งพ่อผัวทั้งพ่อสามีให้แสดงความเคารพฝากอะไรติดไม้ติดมือไปนิดๆหน่อยๆพอเด่นหน้าเห็นตาแสดงความเคารพพ่อแม่ก็ดีใจแล้ววันเสาร์วันอาทิตย์เอาพาไปหาพ่อแม่ส่องสายภรรยาอาทิตย์ต่อไปเออเราไปหาซื้อสิ่งของนะ ทํากิจโทละภายในบ้านของเราเขาเราจะไปตีกอลปเราจะไปเข้าชมตลาดกว่ากันไปในพรรษาเตือนหนึ่งเราควรจะไปหาพ่อแม่ของเราสักสองครั้งได้ไหมหรือสักครั้งหนึ่งได้ไหมต้องจิตตั้งจิตให้ทฐานทํามันทำไมา่นมันทะเลทลัยนะถ้าไม่ติดตั้งจิตใจให้แน่วแน่มันทะเลทลายเพราะนั้นเรา เ, ออเห็นคุณค่าแนละ้วเราห่างเหินพ่อแม่เพรเราเกินไปเราควรจะพาลูกของเราพาไปกราบพ่อตาแม่ยายพ่อปู่แม่ย่าของเราเพื่อปลูกฝอังอุปนิสัยของลูกของเราต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราเท่าแก่ชราแนละ้วเขาก็จะพา เ, เราก็ไม่ได้หมุ่วังอะไรมาก เ, เ, เมื่อเท่าแก่เขาก็เรียนแบบเรานี่ยแหละแต่ถ้าเรามีจะไปตีกอล์ฟมีแต่ไปเที่ยว ห้างซื้อสินค้าแม่ก็ห้างซื้คผ้าพ่อไปตีกอล์ฟพ่อเขาใหญ่ขึ้นมาเขาทําการน้ำมานเขาก็ไปนั่นแนหะเล่นอีหลบกับพ่อแม่นะ่ะแต่ใ้ตัวเองอย่าบ่นเท่นีแต่พวกเราไม่ต้องบน่นพ่อค่าเลยสอนลูกมาจากนี้ลูกเขาปฏิบัติอย่างนั้นเราจะไปบ่นให้เขาทําไมเมื่อเขาไม่มาหาเราเนะนี่แหละอันนี้อยากจะให้ลูกดีเราอยากจะให้ลูกหลานดี เราต้องทําดีให้ลูกหลานดูฮะเออหลวงพ่อก็เหมือนกันอยากจะให้ลูกศิษย์ลูกหาลูกพ่อดีหลวงพ่อก็ต้องทําดีให้ลูกศิษย์ลูกหาลูกพ่อดูอีกเหมือนกันฮะนี่แหละปู่ย่าตายายก็เหมือนกันบริษัท้างร้านก็ตามเจ้านายมีบทมีลูกน้องเอ่อทำงานด้วยกันก็ตามอยากจะให้ลูกน้องตัวเองดีแต่เจ้านายก็ต้องทําดีให้ลูกน้องอยู่ไม่ใช่ว่ากิน เล่าเมายาหัวลาน้ําอยากจะให้ลูกน้องเชื่อฟังอยากจะให้ลูกน้องเป็นคนดีมันจะดีได้ยังไงพอตัวเองทําเร็วฮะสิ่งเหล่านี้ให้มองตนเองนะธรรมคําสอนของพุทธทาสให้มองตนเองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะวันนี้หลวงพ่อได้แสดงความคิดเห็น ย, ยาวพอชงกัวแล้ตอนนี้ไปนั่งสมาธินะแต่นี่นะท่านนั่งผู้นั่งอยู่แล้วให้บริกรรมพุทโธพุทธโธต่อ หลวงพ่อได้เวลาแล้วหลวงพ่อก็จะบอกเออเอาได้เวลาแล้วนะหลวงพ่อจะบอกนะหลวงพ่อจะพานั่งเหมือนกันนะคนที่ยังไม่เคยนั่งสมาธิก็นั่งขัดสมาธินะบริกรรมหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทพุโทโพพุโทโพพุทโทนะไม่ต้องสงใจออกไปข้างนอกทามันไปกันดึงกลับมา